มันมีจะเทศนาทั้งเรื่องธาตุทั้งสี่ธาตุสี่เป็นของคื้นเดิมของธาตุทั้งหลายคืนเดิมของโลกคืนเดิมของดวงวัวมดโลกอันนี้จะตั้งอยู่ใดก็ประกอบด้วยธาตุสี่ ถ้ามีทาตสี่แล้วโลกก็ชีพหายสลายไปเหมืนมนมนอนคนนองเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันทุกคนต้องมีทาตทั้งสี่ไปจำตัวอยู่ถ้าทาตสี่แต่ปวนแยมนมุษย์ก็สลายลับศูนย์ไปสิ่งทดวงหมดในโลกนี้ แล้วก่อนเวลาธาตสี่ทนั้นจึงมาเป็นพื้นฐานของโลกทั้งปวงเป็นพื้นฐานของกฎจักทั้งปวงแล้วพวกเราอยู่กับธาตุสี่ไม่ดูจากเรื่องของธาตุสี่ปิจนาทุกเรื่องธาตุสี่เป็นธาตุปนาทุกเรื่องธาตุสี่แล้วหมดเรื่องไป หมดเรื่องพิจารณานอกจากธาตุสีมีอาการไม่มีการพิจารณาทั้งหมดเพยนนั้นจงฟังคำอธิบายต่อไปธรรมาตุสีในที่นี้ท่านแจกแยกเอาไปธาตุดินธาตุานา้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินก็คือ ค่าดินมียี่สิบอที่แปดก็ถูกก็สิบแปดก็ได้มันซ้ำกันมีเกสาเป็นต้นแง่บอกว่าจะค่าเชีนะธาตุน้ำก็สิบสองมีน้ำดีน้ำเสดเป็นต้นธาตุลมธาตุไฟอยู่ในตัวของเราเราไม่นู้จักว่าลม อยู่ในตัวของเราเนะ่ะคืออะไรที่เราอยู่ได้เดี๋ยวนี้พระลมลมมาชูลมมันฝั่นป่วนพัดไปพัดมาในตัวของเราจึง ท, ทำให้เบาัางท่งมีล่องต่อมันก็หนักคือหดใจนั่นแหลนะถ้าไฟดับก็เย็นเชือบเย็นเชือบไปเลย คนที่ตัวกระ n e a าเกรย์มีท่าสี่ท่าห้ า, หาถ้าเราพิจารณาในควานี้พิจารณาจะท่ากันเดียวเพ่งพิจารณาจะท่ากันเดียวเรียกว่าเพ่งโดยฌานเป็นพ่งโดยอนาจสมาธิเพ่งโดยนาจของฌานเพ่งเป็นดินทั้งหมด ตัวของเราไม่ต้องพิจารณาทั้งเดินน้ำที่มันหลบลงไปไม่ต้องพิจารณาจนกระทั่งเห็นตัวของเรานี้เป็นดินทังก่อนเมือเป็นตลายเป็นดินไปเลยเพ่งเอาเดียวจิตแน่วแน่ลงไปแล้วนะว่าไงฟ้ากดเองแบบ มันเป็นผ้าปลาก็จริงลงทั้งสภาพเป็นดินหมดมั น, นเรียกว่าหมดเรื่องหมดผิดหม ด, มดเรืาา่อง <G ül üyor> พิจารณาพิจารณาด้วยฌานด้วยสมาธิแห่งนัาา่กรอเช่นเดียวกันในพิจารณาเรื่องอื่นดินแน่นลงไปแน่นต่อพิจารณา พิจาาแห้งเอาแต่น้ำให้เห็นเป็นน้ำทั้งหมดตัวของเราจะเป็นละลา ย, ลลายเป็นน้ำหมดมันจะเกิอดอีนิดนะกดทึนะ่ไนลเนี่ะแห้งลมค่ะนี่ในตัวของเราเนี่ยนะไม่ต้องแห้งแต่ลมอย่างเดียว เห็นกายกดกายของเรานี่เมามดจนกระทั่งไม่มีตัวมีแต่อจตกาเ่าว่างมดพิจารณาไฟขานี่ไม่ต้องพิจารณาอื่นอี่ยงก่อนเดียวนะด้เห็นเป็นไฟลูกอ้อมขึ้นหมด เบื้อนต้นถ้าหาว่าไม่ถม่ถกับพ้ะองคุณนมันจะร้อนในกายไม่เห็นเป็นกายอยู่หาังจ่กนั้นแห่งพิจารณาเพียงพอแล้วจะเป็นไฟโพลเป็นหมดทั้งตัวไม่มีไม่มีตนมมีตัวลูกโพงคือนึงเป็นไฟนะการพิจารณาอย่างนี้ เี่น า, น า, าพิจารณา้าตสี่แยกออกไปส่วนๆไปแต่กายก็เป็นกายตามเดิมะนะเน่ยไม่ใช่แต่ควรมาตามพิจนารณาหรอกการีิจังน า, นาเป็นส่วนของใจเห็นชาติภายในของตัวเองคนอื่นจะไม่ หรือหากบางทีว่าสถาบรรมีของคนค น, นั้นเคยสร้างสมอุรมณมาแต่ก่อนอาจจะกราดฏให้คนอื่นเห็นด้วยก็ด้เป็นเป็นดินน้นใส่ล่ไปตามสภาพที่อธิบายมานั่นแะแต่ไม่ใช่เป็นทั่วไปเป็นแต่ละแต่ละบุคคลเรื่องเหนนี้ มันเป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของฌานเป็นเหมือนการเล่นนายโยคจอนเจ้าไปก่อนท่านเล่นนุกสนาน้้งท่านเล่นไม่ให้มีคนไม่ให้เป็นตนเป็นตัวไม่สัตว์อุกนวเขาให้มีแต่ธาตุนั้นแหะมันเชื่องอยู่ เรียกวิหารและธรรมของท่านมัาเป็นเครื่องสนุกเครื่องอยุ่งท่านเหมือนกันเพราะจิตคนเราถ้าหากว่าไม่พิจารณาอย่างนั้นมันจะคิดจะนึกจะสงสยัยในภายนอกในรูปเสียงกลิ่นรสรสภาพิธรรมาลมมันจะไปตามสมุิปัญญติ เห็นว่าคนว่าตนว่าตัวเห็นว่าเราว่าเขาเห็นว่าหญิงว่าชายว่านหนุ่มว่าแก่เห็นัต์ทั้งหลายทั่วไปสมมดจะเป็นเช่นเดียวกันถ้ายังมีพิจารณาให้มันเล่นอยู่กับอ น, นัตพิจารณายอยู่ด้วยอาการสิน็นธาตมันจะจากคนยังเหลือแต่บัญญัติคือสมมติ ที่เรียกว่าคนนะ่ะตัวตนแล้วเขานะี่ยเรียกว่ายิ่งว้าชายเรียกว่หนุ่มก็แก่อังนั้นเรียกว่าสมมติท่านเห็นเป็นภาวะหรือเห็นเป็นท่าอย่างที่บายวันนี้เรียกว่าบัญญัติคือปัญญัติทัก <c oughs> สมมุติกันอีกทีหนึง่ง ถ้าไม่บรรยาคืนก็ไม่ก็ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงเห็นเป็นก้อนดินหนึ่งหนาทั้งหมดว่าดิน น, น, น, ญญดนั่นในนณะที่บรรยากับดินนั้นยังพูดถูกถ้าไม่บรญยาคือพูดไม่ถูกถ้าไม่บรญยากว่าดินไม่ทราบว่าจะพูดอะไรแต่ดินน่น่ะกลับมากลายมาเป็นมนุษย์ อย่ธิบายในฟั่งแล้วเป็นสัตว์ ต, ตนบุคคลเราเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มไม่แกลแ้งได้จริงอ่ะก็ดินแน่ๆมาเป็นมาตุ ก, กายเป็นแน่ๆจังเคยสมุดขึ้นคนเราจิตสมุดบัญญัติติดสมุดยังในถืออยู่ไปแล้วไม่รอดสักทีอยาา่างแล้วถือตัวถื้อตนนี่อ่ะ ถือคนนั่นนี่แหละถือว่าตัวของเราเจ็บก็ถือว่าตัวของเราป่วยก็ถือตัวของเราไม่ดีก็บาดว่าตัวของเราถ้าพิจารณาไปจริงๆนะมันไม่ใช่ตัวของเราเป็นย<ม>ิ้มตาสภาพของมันเกิดแก่าาเก็บตายเป็นธรรมดาั้นราพูดแบบธรรมดานั้นนะเป็นธรรมนั่นนะเป็นเป็นบัญญัติ มันนัดออกเป็นธรรมมันนะอาศัยมัญญิติน่าพูดจะค่อยถูกมีธรรมะที่รเราเผยแพร่ไปน า, ยยา น, นเล่นอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นให้มันชำ น, นิชำ น, นานแล้วจะเข้าถึงฌานเข้าถึงสมาธิต้องเข้าให้ถึงที่ มันจนเป็นสภาพขก็มันออกมาแล้วไม่เป็นอย่างนั้นมันยังถือสมมตปัญญาติอยู่ก็ช่างมันแต่ก็ให้รู้เรื่องวความเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนให้เยาวนแก้ก็ไม่คิดแจกแจกจ่ายดินน้ําไปลงให้เยาวนแก้วว่าไปเถอะ ว่มนุษย์สัตว์เดรัจฉานเรืองเปรตอสุรกายอะไว่าสัตว์เดรัจฉานเรืองมนุษย์อะไรน่ะสามประเถอะแค่ที่จริงตัวนั้นเป็นตัวธาตุดินให้เห็นอย่างนั้นเสมอตัวนั้นเป็นธาตุน้ำอารมณ์นัดไฟจริงทั้งสี่อย่างนี้ประกอบมาขึ้นเป็นตัวตนขึ้นมายังเคลื่อนไหวไปมาได้ ถ้าค่าทั้งสีกฎวิการอย่างนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็เคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวก็ไม่มีไม่หรอเราต้องมาต้องเพือยอนเอาเพ่เป็นธรรมดาไปตามเรื่องของมันเราจึงควรหกักทั้งนีนน้ทุกคน เราต้องการค้นจากสมุดบ ha ัญญัติเราต้องการที <kinds of ique> so well. ่จะได้ถึงสภาวะให้เห็นชัดอย่างนั้นอยู่าประจวบด้วยล่ะจึงจะไม่รุ่มหลงโมเมาในสิ่งต่างๆถ้าหากเราโมเมาในสิ่งต่างๆก็เรียกว่าโมเมาเมาจริงโมเมาก็หลงเหมนกัน นี่จริงนะลงสมมุตดคนสมมุติตนสมุดตัวลงว่าหญิงว่าชายลงว่าคุณโอวแก่ลงว่าศัตรูคนเราเขาต่างๆทั้งหมดทุกอย่างมันนัดไปว่ารงพิจารณามันชัดตัวจริงไหมว่าคนว่าตอนว่าตัวว่าเราก่าเขาว่าหญิงว่าชายจริงไหม แค่ได้จริงมันจะพาความเร็จอย่างนั้นเกิดขึ้นมาได้สะดับไปไปขนมาจับไปลงหัดลงเงินเดียวคนนั้นเกิดดับขนาดนั้นทั้งยันย่อรวบรวบรวมรวมพิจารณาคของเกิดดับไตยะริยาธรรมาสังขาระสังขารก็สิ่งที่ตรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันต้องมีของเกิดและขอมดับ ตรงเสภาพาอย่างนั้นเป็นจริงอย่างนั้นอันที่เรงาแม่หลงมุมแม่หลงต่างหากมึงเบาต่างหาก็ไ ม, ม่ยิ่งมัเป็นอย่างนั้นนี่อธิบายมาถึงเรื่องธาตุสี่เพียงคนนี้แหละหาว่าพิจารณาต่อไปกระแลจะใครจะเป็นถึะจะเป็นมากหรือน้อยเถอะจะเทียนก็กรแลแต่เถออันนี้พิจารณาแข่อยนย่อแข่งแค่นี้ก็พอและ ก้อนาธาตุอันนี้นั่งทับลงไปาธาตุหรอกไม่ใช่คนเป็นก้อนาธาตุอันหนึ่งต่างหากมามั่งทับอยู่นี่ก็ไม่ใช่อะไรนั่งทับทาธาตุนะั่นแหละมันเจ็บมันปวดอย่าไปดูความเจ็บความปวดไปดูาธาตุนะเต็นดินก้อนดีกก้อนหนึ่งมันก็หุ่น ยึดเขาปั้นผลไว้ยึดเขาปั้นตุกกตาไว้ใจอย่าให้มันเดี๋ยวเข้าไปไว้ไหนนั้นใจให้ออกจากัานเสียความยึดความถือไม่มีนั่นในร่างกายบางทีอันความเจ็บความปวดหรือความเมื่อหยหรือโรคภัยต่างๆอาจสามารถจะหายไปได้ถ้าจิตแน่วแน่เต็มที่ หรือหายไนหายก็อาจจะหายชั่วคราวในขณะที่เรานั่งอยู่นั้นถ้าคิดแก่กล้าเตร็มที่แล้วสามารถหายได้แต่ไม่ใช่ป้องการความตายในคนที่ซือก็จะต้องตายเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันมัดทั้งโลกแม้แต่เราก็ทอดทิ้งสังขารร่างกายสิผาสุขไม่ใช่พระองค์พระองเจ้ามาีพิจารณาธาตุพิจารณาธาตุเหมือนกัน ต่เป็นเครื่องอยู่ทีหารธรรมเท่านั้นาานัจะพ้นจากคนตายไปพคนไปไห่คนเราอยากจะให้มีวิปมีปาี่หารอยากจะพิจารณาไม่ให้มันตายคนในโลกนี้ถ้าไม่ตายเสียนันก็ไม่มีที่อยู่อสิอย่ากน้อยก็ลองคิดดู่ะ คนน้อยปีถึงตายอะไรโอ้โหแหมไม่ทราบว่า อ, อยู่ไหนกันจงพิจารณาถึงธาตถ้าเห็นเป็นธ า, าตุเช้าพระเจ้าธนั้นเป็นเครื่องอยู่อย่างไรทำเมื่ออยู่นิ่งแน่วราคานี้เร า, าพิจารณาที่หลังในาการเมื่อเห็นเป็นธาตุเราพิจารณาที่หลังพิจารณาตัวใจนั้นอีกทีหนึง่งจะอาใจออกจากา่าตุแล้วพิจารณาใจ ใจที่มันคิดมันเนิบมันปรุงมาแต่งเรียกว่าใจสัญญาอารมณ์เรียกว่าใจความไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งความที่เฉยอัเนียไออันเรียกว่าจิตความไม่คิดไม่ปรุงมาแต่งอันเรียกว่าใจใจอันเดียวมักับจิตจิตอันใดใจอันนั้นอันเดียวไปนั่นแหะเรามาแยกออก คำว่าจิตและใจมันต่างกันยังไงแมันแยกอาการของจิตของใจคือผู้ปรุงผู้แตกผู้คิคดผู้นึกสัญญาสมสายไปต่างๆเรื่องความงดเป็นเรื่องกิเลสกิเลสมันนำเอาอารอมณ์คงามงดเข้ามาคุมใจใจยเศร้าวหมองใจไม่พอม เขาเรียกว่าอาคารทุกเกศกิเลสเพื่มันจอนมาใจนี่ถ้าหากว่ากิเลนี่นำมากระพองใสเสมอจิตต่างกับพัดฉลังยึดเส้นของของสายคันทุกเี้กิเลสไปกิเลสไอเป็นเื่องเศร้าหมองเป็นอาครทุกกากิเลสคีใจมันเป็นหนามัยนั่นเอง ถ้าหากจิตในถ้าหากใจไม่ผองใสแต่แล้วใครไปทำความบริสุดให้ให้จิตให้ใ จ, ใ ห, ใ, จให้ใจได้ไม่มีใครทำความผ่องใสให้ได้หรอกงั้นกังกระเหล็กหรือดินเขาคัดอะไรคัดเธอต้องไม่มีเงาหรอก ถ้าคลองธรรมชาติพือทองคําหรือเพชรนิลจินเดียที่มันใสสะอาดอยู่แล้วแต่เดิมนั่นมันเศ้าหมองด้วยอาการาต่างๆเน่เป็นดินน้ําำด้วยด้วยดินด้วยแต่ไขอะไรต่างๆนั้นครับฉ่นก็คลองใส่ที่กันของธรรมันคลองใสไปเรม่องต้องคลองใสแน่นอนที่เรศใจกันตรงนั้นกันเนะี่ย ของฟองไสแต่ว่ามันสิ่งที่มันหอมหวานคือจุลินดังฮะท้ามีท้งละจุลิเด์จะออกไปเมื่เหนือได้ใจกับของใสสะอาดบริสุทธิ์ก็คืเห็นในเราจึงตั้งใจสัญญาของอพัดใจนั่นแหละให้ของใสทุกวันนี้โดยการรักษาชิ้นโดยการทําสมาธิโดยการพัฒนาโดยการพิจารณาเรต่าง ชำละใจให้ฟองใสสะอาดเต็มเองทนเนทงาชำละหมดแล้วมมีมวลถิ่นฟองสส า, าเต็มที่แล้วก็พอาใจอินมใจกับความรูสุดของเราเอา้าวทำสมาธิภาวนาต่อไปการพัดภาวนาเรียกว่ากรรมฐามน แต่าไปเข้าใจอะไรกันมากมายให้เข้าใจเพียงว่าลองพักทำความสนบตกลมใจของเราเป็นสมาธิที่มีเนี่ยแน่นเดียวนี่เป็นความต้องการความประสงค์ในการภาวนากรรมฐานใจไม่เคยพักผ่อนซึ่ยังไม่เคยรวมเป็นสมาธินี่แนี่อยู่ในลมันเดียวตรงนี้จะคุมชาติ สรงใจอยู่ตลอดกาลเวลาแม้แต่นอนหลับมันก็ยังมีตัส่งไออยู่คนเดียวใจมันไม่หลับมันยังส่งไปอยู่คิดไปอยู่แล้วมันเกิดตายด้วย ค, ค, ค, ค, ความฝันหแต่ในนั้นในการอัตโทนาสมายตอนเรืการพักใจให้ใจพักผ่อนให้สงบการพักของกายด้วยการนอนการพักของใจคือการทำความสงบ ใจมันจัดได้ยากทั้งทั้งที่เหนื่อยเลยแต่มันก็ไม่ยอมเหนื่อยใจคิดนึกจนเหนื่อยจนเหรียดแต่มันก็ไม่ยอมพักเพราะเราไม่ได้ขัดกัมันพักเราไม่เคยขัดมันพักในการขัดข้อานาหรือการขัดใจใจเรื่องของหนึ่ตัวเห็นนั้นเราจะต้องขัดให้มันใจอยู่ในจุดเดียว เอาพูดเนื่องใจได้ก่อใจทรื่องขอ ง, งกลางของที่ไมมีอะไรเลยใจการที่จะคิดดีคิดชัว่วในใจเริ่มจักคิดหยาดคิดละเอียดตรงมาตรงนี้จิตการต้องใจเรียกว่าคิดมีตั้งรับสนเพื่อให้เข้าใจถึคาหมายอธิบายเข้าใจใจเรื่องของกลางขอ ง, งกางมมีอะไรเ่ยเรียกว่าจใจ ในขนาดใดที่ใจเราที่เชลยนั่นนันอนเขาดึง ใ, ใจหละ่ะอย่างน้อยที่เราเจอปัหาตรนี้ก็ได้ลแล้การดิงใจลองเข้ใจเราสักทักในขนาดเขาเดียวขนาดเดียวนะแล้วเราจะมีจิตนึดต่งมาหลางังแม้เด็กกลัวเพียรไทตัวนี้นรัก้าติใจกันนิ่นงเฉลยในขนาดจะมีอะไรบ้างจะมีความรู้สึกว่าเฉยนั่นคืตัวใจ นี่เวลาหายใจระบายลมหายใจมันก็หนีออกไปเขาเรียกสมมติว่าลมหายใจเคื่อมันใจมัวิ่งมาไปตามนั้นเองเราเรียสมมติาลมหายใจนั้นแหละใจตัวนั้นแหละเราจะขาดมาเข้าเป็นอย่างนั้นถามตัวเองลองดูไปรูว่าในเวลาที่กั้นลมหายใจมันมันสบายไหมไม่มีเลยมันสบายต้องเกิดต้องเกิดอในเวลาที่มันทําให้แล้วเดือดว้อนต้มใจดังนั้นหายวัด ตันอยู่ในชั้วของพุ่นขนาดใหญ่ขนาทำาังไงนะ น, นี่เราจะทำจนมันอยู่ต้องมีวิธีพุ ก, กงอบรมดังอธิบาย้ น, นใจเรื่องของมีมตัวเหมือนลงที่แอนเรียกว่าอารมณ์ของใจนนะ่ะก็ไม่พีสอาลมธรรมด า, ารมธรรมดากนต้องทูกสังัสที่ในที่หนึ่งเขาปรากฏเป็นใบไม้ลุ้นขอาเงินปอน เป็ตัวงเรล่านี้กางเอ็ดลมมันก็มาแล้วทบแล้วยังรู้จักตะมีลมใจก็ให้มันไม่มีตัวมีตัวก็ให้มันกระทบอย่างเดียวลมกระทบวัตถุสิ่งของกันนะแต่ว่าใจเรื่องของมันมีตัวมันจะต้องให้กระทบก็สิ่งที่มีตัวเรื่องของมีตัวจะต่างเช่นสิ่งที่มีตัวมีตัวมีรูปเช่นนั้นเราได้กระทบที่ปลายจมูกคือลมหายใจเขาออกถ้ามีคนรู้สึกตรงนั้นอ่ะก็ลมหายใจออก เนื้อี่จะนงจะให้เือคุดโอล่เมอีตรงในตัวามือ่อก้ตรงไหนกระช่างนอลเทอร์ีมันจีนังกระตามคุดโอล่โลห้นื้นอมอคุทบตัวเองเดียวัลเทดีเป็นควบคุมให้อยู่แน่วในะารมณ์มเดียวให้จิตยแน่วในอารมณ์มเยจริงๆแบบเนื้อี่หักตกหล่นฝนใจให้มันพาคพอเมื่อเราทำ ด, ด้วอย่างนี้ สติสก็คงมั่นคงแน่วแน่เลยมันจะรอโว่เข้าไปโดยที่เราไมตั้งใจตรงนั้นเราหักเราหัดไม่ได้เราทำไม่ได้เราทำได้แค่เนี่ยอติคุมไม่มารู้จุดละแหงเดียวทีจจ่จ่ายเทียวตามตั้งปรากฏตั้งแต่หมูก เ, เริ่จถี่ต้องอานได้เีงแค่นี้ก็รูไม่เห็ยงแคนี้เมื่อมีพลังเพียงพอแล้วมันจะหายโู่ไปคือเรื่อจิตเข้าระหว่าจิตรวน ไปมีความรู้สึกหนึ่งของมันในต่างหากตรงนั้นแหละเราจะเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วจะไเครื่งนนนหนึ่งขนาดเดียกวก็ตามเถอะโอ้โหอันตรงนั้นแหละมันจะชอบเราใสใจย่ายหลวงพี่เลยที่หลังจะทำเองชอบใจเราทาเองไม่ต้องเสียเงิไม่ม้องเสียเงินคับถึงยังไงไงตรงนั้ น, น, น, น เ, น เ, เรม จ, นนนนจะไม่ลูมหรอกชอบใจเัาจะได้ควสุ า ก, การประดมพัวนาอย่างแท้จริงซุกอนุฆาไหนเตี่ยไม่ได้ซุกด้วยวัตถุหรืออาวีย์เจ้าอาศัยนิดเดียวอันนี้เป็นของมหาสารบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการขัดยากนี้จะเสียการจะงานเล่้าไม่ได้เสียการงานนี้ดีขึ้นขณะที่เราซุกประดมไม่ใช่เราทํางานอย่างเราอยู่เงียบแล้วเราจะทำงานอะไร งานจะเป็นงา น, งานการจะเป็นการจะทั้งหมดเรืเพราะไรคณะมอโรมันงี้เขาท้าทายจิดเดียวพัดเดียวตอนนั้นเนี่ยยึดใจเดียวนัสามารถจะมีความสุขนั้นแต่ายๆว่ า, าตั้งเป็นปีตียกความรู้ว่านะั้ น, ในใคล้ายกับละคยืดยาวเขียนแท่จะไม่หมดก็อะไรล่ะขนาทายจิตเึ็นของเร็วที่สุดพัดเดียว การอบรมฝึกฝนข้างหน้าจิตเดียวเท่านึงไม่ได้เสียการงานอะไรเพราะฉะนั้นการอบรมพาวาจงให้เข้าใจว่าเพียงเพื่อพักผ่อใจไม่ใช่อะไรทั้งหมดจะเกิดริ้เกิดเดชเกิดสาที่หาของรู้นอนนี่ย่าไปคิดมันเลยเพราะเพราะนั้นไม่ใช่ของตำการหรอกถ้านี้ไม่มีแล้วอนั่นก็ไม่เกิดมั้งคับถ้านี้มีแล้วนั่นจะเกิดเมืก็เกิดไม่เกิดก็เป็นเรื่องของเรื่อง คนเราไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นหมดทุกคนบางคนก็มีของนี้มัแต่ต่างบางคนข้างไม่มีแต่การภาวานาอบรมก็มาถานจิตควาหมายที่ต้องการอนานันเดียวสันนิษนังนั้นอย่งพาทำเท้เาเลยลงไปจูบับนเลยจิตใจให้แน่วแน่ลงไปยู่บันเลย